จเจริญพรพวกเราถ้าภาวนาสม่ําเสมอนะเรารู้หลักที่ถูกต้องแล้วเราทําสม่ําเสมอเราจะพบความเปลี่ยนแปลงของตัวเองรู้ด้วยตัวเองได้ใจเราเปลี่ยนไม่มีหลักธรรมที่ใดนะที่พิเศษเหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้าเราศึกษาเราลงมือปฏิบัติแล้วเราเปลี่ยนใจของเราได้ เคยมีพระเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านเรลึกย้อนไปนานมากเพราะว่าหมื่นปีเนี่ยคนแทบไม่เปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนก็คือแย่ลงไม่ค่อยดีขึ้นหายากอย่างนิสัยเราตอนเด็เดกๆนิสัยเป็นยังไงนะเมื่อหมื่นปีก่อนนะส่วนใหญ่นิสัยอย่างนั้นนะคนก็ขี้โมโหคนก็ ขี้โลภอยากอะไรเจอแล้วอยากได้หมดเลย mm hmm. คนก็ฟุ้งซ่าน mm hmm. เคยเจอเด็กฟุ้งซ่านไหมแบบพูดทั้งวันเลยอยู่คนเดียวมันก็พูดพูดพู ด, พด้เวียนหัวมากเลยเข้าใกล้นะ <c oughs> <c oughs> มันสะสมมาสะสมมาตอนเป็นเด็กเนี่ยยังไม่มีมัญจาไม่รู้ปฏิการมา ร, รยาอะไรตัวจริงๆมันออกมา โตขึ้นนะเริ่มถูกดัดแปลงให้อยู่ในกรอบนตัวจริงซ่อนไว้ซ่อนไว้นานจนลืมว่าตัวจริงเป็นยังไงอย่างเราพอลงมือปฏิบัตินะเราศึกษาปฏิบัติเราดัดแปลงตัวเองไปเรื่อยๆห่างไกลาจากตัวจริงไปเรื่อยๆงั้นมาเรียนอย่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะค่อยๆพาให้พวกเรากลับไปเห็นว่าจริงๆตัวเองเป็นยังไง ร้ายกว่าที่คิดะทุกค น, นร้ายกว่าที่คิดไหมเพาเราคิดเข้าข้างตัวเองเสมอเลย น, นี่พอเราเห็นธาตุแท้ของตัวเองนเราก็เห็นจริงๆมันเป็นยังไงมันทํางานอะไรทำแล้วมันมีผลยังไงก็ เ, เห็นตัวเองเรียนรู้ไปกิเลสก็ไม่ใช่ของที่เกิดลอยๆกิเลสก็มีเงื่อนไขที่ทําให้เกิดตั้งหลายอย่าง อย่างโทสะจะเกิดได้ก็ต้องมีการกระทบอารมณ์อารมณ์นั้นไม่ถูกใจแล้วจิตมีพื้นเดิมมีอนุสัยที่มีโทสะเนี่ยมันมีของเก่าอยู่ด้ว ย, ยอย่างบางคนมีอนุสัยที่โมโหเนี่ยพอกระทบอารมณ์คนอื่นเขาไม่โมโ ห, หนี่โมโหล ะ, ะงันพื้นเดิมมันมีอยู่ตัวเนี้ยสะสมมาตัวอนุสัย อนุใสสันดานเนี่ยมันเก็บทุกวันทุวันพอกพูนไปเรื่อยๆอย่างเราจะเห็นว่าอย่างคนแก่ที่ไม่ได้ฝึกกรรมาฐานตอนสาวๆไม่ค่อยขี้บ่นตอนเด็กๆยังไม่ขี้บ่นแต่งานแล้วมีลูกมีอะไรนะเริ่มขี้บ่นมากขึ้นแกแล้วบ่นมากเคยชินสะสมความเคยชิน คนไหนขี้หงุดหงิดนะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆต่อไปเจออะไรนิดหนึงก็หงุดหงิดเนี่มสะสมเป็นอนุสัยเราภาวนานเราไม่ได้ล้างกิเลสหรอกกิเลสมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแต่เราภาวนาเนี่มันจะค่อยๆเปลี่ยนอนุสัยสันดานมันจะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสันดานใน ใ, นใจเราในอนุใสยในใจเรามันเหมือนรากของต้นยา พอมันได้น้ำได้แดดได้อากาศถูกใจมังอกต้นหญ้าขึ้นมามันงอกกิเลสขึ้นมาปรุงกิเลสให้กิเลสเป็นส่วนที่มันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นแล้วไอ้ส่วนที่ซ่อนอยู่ข้างล่างคืออนุุัสอย่างเราไม่มีสวนเรามีหัวเผือกหัวมันอะไรสักอย่างนะเอาไปฝังดินงอกมีใบออกใบมา ได้แสงแดดได้น้ำได้อาหารหัวมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสะสมไปเ น, นอ น, นุัยมันสะสมไปแต่ถ้ามันงอกต้นขึ้นมาเราเอาหัวไปฝังดินไว้มันงอกขึ้นมาทีไรเราตัดยอดมันไปเลยตัดตัดตั ด, ต ด, ตดงอกทีไรตัดทุกทีเลยหัวมันจะค่อยค่อย อ, ยอไปมันหมดอาหารเวลาที่เราพาวนาวก็แบบเดียวกันนะเราไม่ได้มุ่งล้างกิเลส ไปเพื่อจะทำลายกิเลสแล้วกิเลสเกิดดับเกิดดับไปเรามีหน้าที่รู้มันเพราะกิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันนะกิเลสทำงานไม่ได้คล้ายงอกใบออกมาแล้วปรุงอาหารไม่ได้อนุสัยค่อยๆเหี่ยวแห้งลงนะกิเลสนะเกิดดับเกิดดับไปเลื่อยเราคอยรู้ทันนะง่าแต่ถ้าเราไม่รู้ทันโกรธเกิดขึ้นเราไม่รู้ทันความโกรธกล่อมงามจิต เราเกิดการจะทำกรรมตามความโกรธคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายนะเกิดขึ้นกิเลสอนุสัยที่ลงทุนสร้างกิเลสขึ้นมาเนียกาไรลมันได้กาไรมันสะสมมันโกรธง่ายขึ้นนะจะสะสมพลังของอนุสสยมากขึ้นมากขึ้น ใหเรานาวนานะไม่ได้ว่าจะต้องดีวิเศษอะไรหรอกแต่เรามีสติระลึกรู้กิเลสได้เกิดขึ้นรวทันกิเลสอะไเกิดขึ้นรวทันไปได้กิเลสทํางานไม่ได้นอนุสัยอุตสาหผลิตกิเลสขึ้นมากิเลส ท, ทำมาหากินไม่สําเร็จสักทีเห <c oughs> มือนเราลงทุนเลี้ยงลูกนะเลี้ยงขึ้นมาโตขึ้นแล้วเหลวไหลหมดเลยไม่ทำมาหากินเลยตระ ก, กูลเราก็แย่ลงแย่ลงเลยเกี่ยวแห้งไปเลย ถ้าเราค่อยๆฝึกไปสันดานมันจะเปลี่ยนไม่งั้นไม่เปลี่ยนหมื่นปีก็ไม่เปลี่ยนเคยเป็นไงเมื่อเป็นอย่างนั้นเคยเซลล์จัดเมื่อเซลล์จัดอย่างนั้นนะจะจัดมากขึ้นมากขึ้นเน่ยธรรมชาติของจิตไหลลงต่ําถ้าตามใจมันนะถ้าตามใจมันทําไมไหลลงต่ําตามใจมันมันก็ทําไปตามความเคยชินจิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินไม่เคยชินจะทําตามอนุสัยสัง่งมันทําไปเรื่อยมันก็สะสม ยิ่งคุ้นเคยที่จะทำอาคุศนแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นฉะ้บางทีผู้พระเจ้าท่านก็สอนกำชั่วเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆก็ไม่ให้ทําำําชั่วใหญ่ๆนะมันเริ่มมาจากทากำชั่วเล็กๆก่อนอย่างทีแรกก็พูดเล่นพูดเพิรเจอพูดเล่นไปเคยชินพูดเล่นก็เริ่มอัมเขาอําไปอํามาชักโกหกเก่งนะต่อไปเป็นปรมาจารย์ในการโกหก จากจุดเล็กๆก็ค่อยสะสมสะสมในเชิงที่แย่ๆไม่สะสมในเชิงที่ดีๆถ้าปล่อยจิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินหรือว่ามันเคยชินที่จะทาชัว่วเราต้องมาอาศัยธรรมะของพระเจ้ามาพัฒนายกระดับจิตขึ้นมาไม่เคยมีศีลก็มีซะไม่เคยฝึกสมาธิก็ฝึกซะไม่เคยเจริญปัญญาก็เจริญซะ ใส่กาลังของศีลสมาธิปัญญาในะค่อยแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆกิเลสให้อ่อนกําลังลงอนุสัยใอ่อนกําลังลงทํางานไม่ได้เต็มที่กิเลสกิเลสเกิดแล้วก็รู้ทันอย่างกิเลสอย่างรุนแรงเกิดมันกเกลียดคนนี้มากเลยโกรธเต็มที่แล้วจะฆ่าเขาละเราลึกได้ว่าฆ่าเขาผิดศีลไม่ยอมฆ่าเขานะเดินหนีไปที่อื่นหรือความโกรธขุนขุนขึ้นในใจนะ นิวรณ์มันทำงานขึ้นมาแล้ขุนขึ้นมาแล้วมัวขึ้นมาแล้วในจิตส่งสมาธิขึ้นมานิวรณ์หายไปความฟุ้งซ่านของจิตหายไปกิเลสทำงานต่อไม่ได้ส่วนปัญญาเนี่ยนะเข้าไปขุดคุยมันเลยเข้าไปเรียนไปรู้มันเรียนรู้จนกระทั่งไม่มีโอกาสมันขาดทุนตลอดเวลาปรุงอะไรขึ้นมาแล้วก็รู้ทันปรุงอะไรขึ้นมาก็รู้ทันที่ได้ปรุงกิเลสมาหลอกเราอีก กิเลสหยาบหยามาหลอกเราถ้าเราไม่รู้ทันนะัมันก็หลอกได้ถ้าหลอกได้เนี่ยมันก็เอากิเลสหยาบหยามาหลอกเราอีกแต่พาเรามีสติปัญญารู้ทันกิเลสหยาบหยาหลอกไม่ได้มันอ็กิเลสละเอียดละเอียดมาหลอกเรานะกิเลสละเอียดเนี่ยหน้าตาเหมือนกุศลนะดูยากมากเลยกิเลสชั้นละเอียดเนี้อย่างบางทีเราพิจารณาธรรมะนะ ครูบาอาจารย์สอนพิจรณากายพิจนาอย่านั้นพิจนาธรรมะกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาเนี่ถือเป็นการสร้างความดีนะมีความดีระดับหนึ่งกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาแต่พอการภาวนาของเราละเอียดเข้าไปจริงๆเนี่ยการค้นคว้าของจิตหรือการค้นคว้าธรรมะคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านพวกเราดูอ่ะไม่เวลาเราภาวนานะจิตมันอยากรู้อยากเห็นเลยมันค้นคว้าพิจาารณนะดูเหมือนดีนะ จริงมันฟุง้งแล้วพอมันเคยชินที่จะฟุ้งเรารู้ไม่ทันเรานึกว่าเนี่ยจเจริญปัญญาที่แท้แอบฟุ้งซ่านเราไม่เห็นมันจะหลอกซ้ําอีกเดี๋ยวมันก็จะให้ไปพิจารณาธรรมะอันโน้นพิจารณาธรรมะอีนนะั้นจะฟุ้งเก่งไปเรื่อยๆนะไม่ผ่านสักทีหรือเวลาเรากิเลสเราอย่างแรงอยู่นะใจเราอย่างหยาบอยู่เราเห็นใครคนดีกว่าเรานะเห็นครูบาอาจารย์เนะี่ยครูบาอาจารย์ดูผ่องใสดูดีนะ เรานี่แย่มากเลยอย่างนี้ถือว่าพัฒนาแล้วนะถ้าแยกกว่านี้คือคนอื่นแย่เราดีตรงที่เราเห็นว่าโอ้ครูบาอาจารย์ดีจังเลยทำไมเราไม่ได้อย่างนี้สติเรานึกว่านี่จิตเป็นกุศลนะเริ่มใ ส, ส่ศรัทธาครูบาอาจารย์นะลึกๆเนี่ยมันเปรียบตัวเองเข้ากับครูบาอาจารย์มันมีการเปรียบเทียบใช่ไท่านดีอย่างนี้ทำไมเราไม่ได้อย่างนี้นึกไม่ออกนะว่านี่กิเลสนะนี่คือมานะชนิดหนึ่งนะ ดูแล้วเหมือนกุศลนะว่ายกย่องครูบาอาจารย์ยกย่องครูบาอาจารย์ไม่เป็นไรนะแต่เอาตัวเองเข้าไปเทียบเนี่ยกระทั่งเทียบว่าเราแย่กว่านะก็คือมานะแยกกิเลสพอละเอียดเข้านะหน้าตาเหมือนกุศลเลยหน้าตาหน้าเรื่มใสดูดีรูปปาราคะรูปปาราคะดูดี ใจิตใจวันๆนะไม่อยากยุ่งกับใครเลยอยากเข้าห้องปิดประตูนั่งสมาธิวันหนึ่งสงบสบายไม่ยุ่งอะไรโลกนี่ว่างๆขนงกนิ้งอย่างนี้นะดูดีดีนะดีกว่าอะไรดีกว่าพวกที่บ้ากรรมนะพวกกรรมราคะวุ่นวายอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสสัมผัสเมื่อเราดีอกนะว่าเขาอีกนะเรารักความสุขความสงบความมิเบก มีธรรมะประกอบด้วยนนะัความวิเวกเป็นสหายอันวิเศษกว่าสหายอื่นอย่างนี้นว่าไปที่จริงติดอยู่เพลิดเพลิน พ, พอใจในความสุขละเอียดของฌานสมาบัตินี่ก็เป็นกิเลสที่เราไม่เห็นกิเลสพละละเอียดนะดูเหมือนกุศล น, นะวันวันไม่ยุ่งกับใครดูดีไหมไม่ยุ่งกับใครไม่ทะเลาะกับใครไม่โกรธใครนะใครว่าอะไรก็ไม่สนใจเข้าห้องปิดประตูภาวนาไม่พราส่วนมนดูดีดีฮะ มองไม่ออกถ้ามองไม่ออกมันจะหลอกเราซ้ำเราก็จะภูมิใจนะอิ่มใจมีความสุขความเพลิดเพลินพอใจในพบพบเนี้ที่มันสร้างขึ้นมาด้วยกิเลส ท, ที่ละเอียดกิเลส ท, ที่ละเอียดที่สุดเลยนะประนี้ที่สุดเลยคืออวิชชาดูยากที่สุดเลยอวิชชาเนี่ยในทางปริยัตบอกว่าคือความไม่รู้อริยสัจนะความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุก ไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรธน์ไม่รู้มรรคไม่รู้รูปนามในอนดีตไม่รู้รูปนามในอนาคตไม่รู้รูปนามทั้งอดีตและอนาคตนไม่รู้อริยสัจ ส, สิไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่ตัวอวิชชาพูดออกมาได้ตั้งแปดตัวแล้วจะไปดูมปนยังไงสภาวะแบบนี้ดูยากที่สุดเลยอวิชชาเนี่ยซ่อนอยู่เลย ซ่อนอยู่กับจิตผู้รู้เงั้นจิตของพวกเราเป็น ผ, ผู้จิตผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเนี่ยโอกาสที่เห็นตัววิชาเนี่ยไม่มนะีแต่ว่าจิตถึงมันภาวนาเต็มภูมิแล้วนะมันปล่อยวางรูปเสียงกลิน่นรสปุถะพะสิ่งที่กระทบคือกรรมคุณอารมณ์ทั้งหลายมันปล่อยมันปล่อยร่างกายปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายไปแนละ้วข้ามมาที่ใจดวงเดียว ใจดวงเดียวดวงวิเศษเนี่ยสว่างสวัยนะกำหนดให้กว้างควางเท่าไหร่ก็ได้มีอิทธิฤทธิปฏิหารทำอะไรได้แปล ก, ปล ก, ปลกๆเยอะๆเลยใจดวงวิเศษตรงนี้นะสารพัดจะเก่งสารพัดจะรู้เลยเราไม่รู้หรอกว่าในของวิเศษอันเนี้ยมีอวิชาซ่อนอยู่เราไม่เห็นยากดูยากที่สุดเลยนะเนี่ครูบาอาจารย์สอนมานะ เราก็ต้องมาหัดดูเอาถ้าท่านไม่เคยบอกมาเราดูยากหลวงตามาหาบัวนั้นบอกว่าอาวิชชาซ่อนอยู่ในตัวจิตผู้รู้นะตัวจิตผู้รู้นั่นแหละเรียกว่าจิตอวิชชาท่านว่าอย่างนี้หลวงปู่ ด, ดูลย์ก็สอนนะบพบผู้รู้ให้ทํำลายผู้รู้นะจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไหมในผู้รู้เนี่ยนะเรายังไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้เนี่ยยังไม่ถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะผู้รู้นี้ไม่ใช่ของบริสุทธิ์ ผู้รู้ประพัสสอนประพัสสอนแปลว่าสว่างสวยัยผ่องใสสว่างสวยัยผ่องใสสะอาดสะอาดเลยเนี้ยมันไม่ใช่ความบริสุทธิ์นะที่ดูใสใสไม่จาเป็นต้องบริสุทธิ์น้ำใสมีเชื้อโรคไหมน้ำใสน้าสะอาดดูว่าสะอาดนะด้วยตาน้ำมันใสแต่มันไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์มีสิ่งที่แอบแฝงอยู่ เราดิบน้ามาแก้วหนึ่งนะเราก็มาตัดสินว่านี่น้ำนี้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์พูดยากใช่ไหมไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสกินก็ไม่เป็นไรไม่ตายนะท้องไม่เสียไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเรว่าน้ํานี้บริสุทธิ์น้ํานี้แค่ใสเท่านั้นมีสิ่งแอบแฝงอยู่ในน้ําตั้งเยอะแยะนะบางทีอาจจะมีตั้งร้อยอย่างก็ได้แอบแฝงอยู่ดังการที่จะมาเห็น้ของที่แฝงอยู่เนี่ย ไม่ใช่ง่ายการที่จะทำลายจิตผู้รู้หรือทำลายอวิชชาอยู่ที่การเจริญมีภัสนากรรมฐานอย่างเข้มงวดเลยมีสติระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางดูไปไม่เลิกดูจนมันแจ้งเป็นส่วนๆไปมันแจ้งในรูปธรรมมันวางรูปธรรมไป จิตที่ส่งสมาธิขึ้นเลยัตโนมัติสมาธิบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์นะไม่ใช่ฌานบริบูรณ์คนละส่วนกันพระนาคาเนี่ยสมาธิบริบูรณนะ์พระโสดาเนี่ยสมาธิเล็กน้อยปุถุชนอาจจะเข้าฌานแปดได้นะยังไงฌานกับสมาธินี่คนละความหมายกันจิตที่ทรงสมาธิคือจิตซึ่งมันไม่ถูกนิวรณ์ครอบนำ ไม่สัดใสายไปนในรูปเสียงกิริยพุทธะทั้งหลายมนทร ง, งตัวเด่นทวงอยู่โดยไม่ต้องรักษาผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะเป็นผ้านาคามีนะถือก็เป็นได้เพราะผ้านาคามีเนี่ยวางรูปไปแล้ววางกายไปแล้วจิตในรวมเข้ามาที่จิตดวงเดียวจิตจะสว่างพองใสกระจ่างแจ้งอยู่ไม่ต้องรักษาจิตของพวกเราไม่รักษาเป็นยังไง มันเป็นมหาโจรใช่ไหมร้ายกาจถ้าไหลไปตามความเคยชินที่ชั่วอันนี้สะสมมานานเจระสติสมาธิปัญญามานะอนุสัยอ่อนแรงหมดเรื่องหมดแรงไปแล้วนะสว่างสวยัยเด่นดวงอยนะู่เรานึกว่านี่ที่เป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้บางคนบอกถ้าจะตายนะ่าจะจับอยู่ที่จิตผู้รู้เนี่ยแล้วนิพพานไม่นิพพานหรอกจิตผู้รู้นี่แค่ประพัดสอนไม่บริสุทธิ์คนละคำกันนะประพัดสอนกับบริสุทธิ์ สว่างจิตผู้รู้สว่างสวัยินะ่งนั้นคำที่หลวงปู่ดุลยพูดนะว่างสว่างบริสุทธิ์เห็นไหมไม่ใช่สว่างอย่างเดียวนะมีบริสุทธิ์นะถือว่เป็นตัวจิตที่หลุดพ้นแล้วว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งจิตผู้รู้ยังปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งพกของความเป็นจิตผู้รู้นะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหา จิตผู้รู้ยังแสวงหาอยู่แสวงหาอะไรแสวงหาอารมณ์ที่ประณีตอยู่หยุดกิริยาของจิตจิตผู้รู้นั้นยังมีการหมุนอยู่ภายในยังไหวยิบยับยิบยับอยู่ภายในยังมีกิริยาอาการจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีความเคลื่อนไหวภายในภายนอกไม่มีรูปรักษภายในไม่มีความเคลื่อนไหวว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปูนแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสัอย่าง แต่มีอะไรอยู่นะก็มีกว่ามไม่มีไม่ใช่ไม่มีเลยธรรมะประณีตมากนะหลวงพ่อสอนสอนไว้ก่อนนะให้พวกเราก็เคยได้ยินได้ฟังไว้แล้วค่อยๆลูปคลำภาวนาของเราไปมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมัน่นและเป็นกลางนะฝึกก็เราไป ช่วงไหนมีกำลังมากดูจิตมันทำงานช่วงไหนกำลังหย่อนลงมาดูจิตไม่รู้เรื่องให้ดูกายทำงานนะถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะนะมีแนวรุกแนวรับของเราพอมีกำลังก็กลับไปดูจิตใหม่ดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะนี่วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมัยังมีงานทาตลอดชีวิตนะกรรมฐานเนี่ยเขากันทั้งชาติ ที่จริงทํากันมาหลายชาติแล้วล่ะกว่าจะมาตื่นตรงนี้ไม่ใช่ชาติแรกหรอกนะทําไมคนเต็มโลกมันไม่สนใจกรรมฐานเลยมันไม่เคยภาวนาจิตไม่คุ้นเคยนะอย่างพวกเราเนี่ยทําไมสนใจจะฟังธรรมะสนใจอยากปฏิบัติเพราะจิตมันคุ้นเคยที่จะปฏิบัติคุ้นเคยที่จะฟังธรรมะสะสมมาแล้วนะนี่ไม่ใช่ชาติแรกที่ฟังธรรมะนะพวกเราแต่ละคนนะส่วนจะเป็นชาติสุดท้ายหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเองแล้วล่ะ เครื่องมือเขามีให้นะสร้างขึ้นมาเครื่องมือของเราสติสมาธิปัญญาสร้างขึ้นมามิธีการก็บอกให้ทำยังไงสติจะเกิดทำยงไงสมาธิจะเกิดทำาไงปัญญาจะเกิดบอกวิธีการให้อยู่ที่ทำเอาเองงั้นใครที่ทำบ้างไม่ทาบ้างนะให้ปรับตัวซะต้ อ, อกตั้งใจชีวิตนี้สั้นนักนะสั้นนิดเดียว เงี้นเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี้เราไม่รู้กระทั่งความตายจะถึงเราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้งั้นเราอย่าเสียโอกาสทิ้งปัจจุบันไปบางคนทิ้งปัจจุบันนะเมื่อก่อนมีลูกศิษย์คนหนึ่งตายไปแล้วเป็นมะเร็งตอนจะตายมาล่ําลานะแล้วมาอธิษฐานมาบอกหลวงพ่อนะนอนเตียงเลยเขาเข็นมาต้องนอนมา เรียงแบบของโรงพยาบาล เ, เขียนมาใครเคยเห็นอันนี้มั้ยจำได้ไั้ยพวกที่มาแรกๆก็เห็นนะตอนนั้นเจ็บปวดมากนะอาศัยการปฏิบัติเนี่ยประคองรักษาจิตไว้ให้มันดีเอาจีวรมาถวายหลวงพ่อแล้วตั้งความปรารถนาขอตายไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายให้ได้กลับมาฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรม หลวงพ่บอบให้ hey, มันตั้งอย่างนี้ประมาทนะทิ้งปัจจุบันใช่ไหมไปหวางอนาคตหวางอนาคตว่าจะได้มาปฏิบัติทําไมตอนนี้ไม่ปฏิบัติเราตายในการปฏิบัติล่ะอย่างนี้แค่นี้ยังประมาทเลยนะพวกเรานี่ยิ่โคตรประมาทกว่านี้ <laughs> สุดท้ายก็ตายนะอยู่ไม่ไหวอายุไม่มากเด็กๆ จะตั้งความปรารถนาไว้ปฏิบัติให้ได้ทุกวันนะอย่าละเลยอย่าทิ้งปัจจุบันไปอย่าไปหวังอนาคตอนาคตเป็นของไม่แน่นอนปัจจุบันนี่ของมีจริงนะอนาคตยังไม่มีไมปัจจุบันไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวแค่นี้ก็ยังดีเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเห็นกายกับใจเป็นโคโลราันกันนะอย่างนี้ก็ยิ่งดีมากขึ้น เห็นกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเห็นใจที่เป็นคนรู้เนี่ยก็ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดวุ้ยนี่ยิ่งดีใหญ่เดี๋ยวค่อยๆฝึกสะสมของเราไปของฟรีไม่มีของฟรุ๊กไม่มีมีแต่ต้องลงทุนลงแรงทาเอาเองนี่เป็นความซื่อตรงของธรรมะไม่มีลูกเล่นไม่มีเส้นมีสายนะ ใช่ว่าเกาะจีวรพระเทเจ้าได้แล้วจะบรรลุเร็วว่าคนอื่นไม่ใช่ไม่มีเส้นอยู่ที่ทำเอาเองทั้งสิ้นเลยพอสู้ไหวไหมต้องสู้นะเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนที่เห็นเห็นอันหนึ่งก็คือไม่แน่นอนว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้นานแค่ไหนตัวนี้น่ากลัวที่สุดเลย คนไม่มีศีลมีธรรมไม่รู้คุณค่าของพุทธศา ส, สนาไม่เสียดายหรอกศา ส, สนาพุทสุนต์ก็ศูญไปไม่เห็นจะเสียหายอะไร น, นะมีก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะรู้สึกอย่างนี้นะแต่อย่างพวกเราภาวนามาเรารู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ในโลกไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนักหนาเลยคนในโลกในหลวงพ่อก็เที่ยวไปดูนะว่างๆดูไปดูมาหลายประเทศเลยไปเรียนรู้ หลายสิ่งหลายอย่างการที่เราได้เห็นคนอื่นจะรู้จักตัวเองชัดขึ้นเราไปเห็นคนชาติอื่นเราจึงจะรู้จักคนไทยชัดขึ้นเรามีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งมีทั้งจุดดีจุดได้ทเทียบกับคนอื่นอย่างพวกฝรั่งนะพอโตขึ้นอายุสิบแปดเลยออกจากบ้านไปเลี้ยงตัวเองช่วยตัวเองไม่มีความผูกพัน กับพ่อแม่พี่น้องไม่ผูกพันกันตัวใครตัวมันโตขึ้นก็มีคู่ของตัวเองแต่งงานอยู่กินกันไปอยู่ไปํำพังตายายแก่แก่บางประเทศที่เศรษฐกิจดีรัฐให้มีสวัสดิการให้ไม่อดข้าวมีอาหารกินมีเงินเดือนมีเงินใจ่ายให้ทุกอาทิตรัฐจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินให้ทุกอาทิตย์มีค่าใช้ใจ่ายไม่อดตาย คนพวกนี้แก่ๆนะบางประเทศเนี่ยตามสะพานนะต้องทำแผงกั้นไว mm ้แม่้นคนมันมาโดดน้ำตาย mm hmm. คนมีอยู่มีกินมีบ้านมีทุกอย่างนะ mm hmm. ทางวัตถุแต่มันเงา mm hmm. เงียบเงาอยู่ตัวคนเดียว mm hmm. คู่ของตัวเองตายไปปุ๊บเนี่ยมันเฉาเลย mm hmm. ไม่ได้วยไปทำอะไรไปเดินเล่นบนสะพาน mm hmm. เห็นแสงแดดพระทิตจะตกดินวังเวงใจโดดลงน้ำไปเลยนะ ของเราไม่ค่อยมีหรอกเราฆ่าคนอื่นเราไม่ค่อยฆ่าตัวเองอะ <laughs> <laughs> ถ้ามีธรรมะนะจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามีธรรมะนะอยู่สองคนก็มีธรรมะอยู่คนเดียวก็มีธรรมะไม่เหงาอะนะหายใจออกรู้สึกหคยใจเข้ารู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะต่อไปแก่มากเจ็บมากลุกขึ้นมาเดินไม่ได้ก็นอนอยู่ นอนยังหายใจอยู่รู้สึกเยอนะเห็นร่างกายมันนอนป่วยหนักอยู่เห็นความเจ็บปวดกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันใจเป็นคนดูเห็นความหวั่นไหวของใจซึ่งไม่ใช่ใจนะความหวั่นไหวของใจเป็นสังขารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะใจที่เป็นคนรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งนะแล้วถ้าเมื่อไหร่ปัญญากแก่รอบนี่เห็นทุกส่วนเนี่ยไม่มีเราเลยทุกส่วนนี้ไม่มีสาระนะใจปล่อยทุกส่วนได้นะตอนนั้นเรียกว่าชีวิตะสมาสีสนะี เห็นไหมมันต่างกันนะไม่ใช่เป็นตาแก่ยายแก่ไปโดดน้ําตายนะเนี่ยเป็นตาแก่ยายแก่บรรลุพระทรหันในขณะตายทําได้นะอยู่ที่ฝึกเอาเห็นไหมนําหน้าภูมิใจในธรรมะที่เรามีนะช่วยเราได้เยอะเลยโอ้ยคนประเทศที่ว่ามันเจริญเจริญแล้วยิ่งบางประเทศเศ ร, รษฐกิจมันพังนะรัฐไม่มีเงินที่จะจ่ายคนเคยรับเงินไม่ได้เงินนะคราวนี้ทําไงอ่ะ ยิ่งกว่หมาข้างถนนเองเพราะมาข้างถนนในเมืองไทยยังรู้จักหากินนะพวกนี้หากินไม่เป็นนะทำอะไรไม่เป็นเลยชีวิตลําบากกว่าพวกเราอีกนะงั้นเราพาวนานะให้มีศีลมีธรรมเอาไว้ไว้ช่วยตัวเองต่อไปข้างหน้าเราไม่รู้พวกเราบางคนอาจจะอดอยากยากจนนะเป็นไปได้บางคนอาจจะรวยขึ้นบางคนอาจจะจนบางคนอาจจะตายแบบเดียวดายนะอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแล สุดท้ายมันตายด้วยกันทั้งนั้นแหละมันจะมีคนดูไม่ดูมันก็ตายแต่แต่มันตายแบบมีสง่าราศีในใจนะฝึกของเราไว้ของพิเศษมีอยู่แล้วนะใจดวงนี้ฝึกไปเอาไปกินข้าวไปนี่หมดนะครับ